ปฏิสนธิวิญญาณมีเป็นคำภาษาอังกฤษว่าอย่างไรภาษาอังกฤษบางทีใช้คำว่าร i n k i n g Consciousness อันนี้ยังไม่ถึงกับเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปรีลิ i n ิงก็คือเข้าไปเชื่อมใหม่แปลตรงตามภาษาบาลีทีเดียวเลยคือภาษาบาลีสนธิแปลว่าต่อปฏิแปลว่าใหม่หรืออีกครั้งหนึ่ง หมายความว่าท่านถือเป็นเรื่องของการเกิดดับของจิตที่เป็นไปอยู่เรื่อยๆตามธรรมดาจะมีพิเศษก็เพียงว่าตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับพบใหม่แต่ความจริงจิตก็เกิดดับตลอดเวลาเป็นเรื่องธรรมดาคือตัวซัพท์ไม่มีคําว่าเกิดปลาตรงตามซัพ์ก็แค่ว่าเชื่อมใหม่ภาษาอังกฤษจึงใช้คําว่า linking เลยแปลว่า re-linking consciousness แต่หนังสือบางเล่มก็ใช้คำง่ายๆให้เข้ากับความเข้าใจสามัญว่า rebirth consciousness